พระธรรมเทศนาแผ่นที่103ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงคําในวันที่3ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอุทิศบุญให้ขุนคลังต่อนนี้ไปก็หลวงพ่อที่เป็นประธานสงฆ์ที่มาในงาน กิจนิมนต์นา ง, งานนี้โดยเฉพาะคือพวกเราอย่างที่ได้พูดได้กล่าวคำถวายทานเมื่อกี้นี้คือวันนี้เป็นวันที่สามธันวาคมพุทธศักราช2559นราสนักสถานททษท่านมีท่านพระเอกอาการททัชสถานไทยมาประจำประเทศปากีสถานนักกุงอิสลามาบัด ท่านชูชาติเลียงแสงทองและกุลนายเอกอักรัตถุทธนางศรีรัตนาเลียงแสงทองและก็ผู้ช่วยทูตทหารพันเอกสัจจรักกิตะประกรแล้วก็ภรรยานางอรุณพรสุวรรณน้อยที่เป็นประธานที่ ในกลุ่มหมู่คณะของคณะทูตของพวกเราและก็ได้ทำบุญเป็นถวายเป็นพระราชนุกุธลครบ50วันถ้าพูดเป็นภาษาบาลีว่าปัญจปัญญาสวานคือวันทำบุญครบ50วันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการเดินทางของคณะสงฆ์ได้เดินทางออกจาก กรุงเทพมหานครจากสนามบินสวรรณภูมิวันที่30เดินทางออกจากกรุงเทพเวลา3วันที่30พย .59 เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง5ทุ่มใช้เวลานานพอสมควร5ชั่วโมงนะแล้วก็ได้พักคืนได้พัก ที่พักสถ า, านที่เอกอัคราตทูต ท, ที่กรุงปากีสถ า, านนสามคืน4ี่วันที่ทาบุญทักกินานุ ป, ปทานเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาก็งานทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่วันนี้คณะสงฆ์และคณะที่ติดตามก็คงจะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานาครจะออกเดินทาง ก็คงจะไปถึงออกจากที่นี่ประมาณสี่ห้าทุ่มก็ไปถึงที่ น, นวนก็จวนสว่างแต่การเดินทางคราวนี้ก็ได้รับความสะดวกสบายเ อ, อื้ออานวยจากทุกหน่วย เ, เพราะท่านทูตเป็นผู้นิมนต์แล้วก็มาพักสถานที่ก็สะดวกสบายได้รับความอบอุ่นจากาพวกลูกหลานคณะัตยาใจโยมีท่านทูต และคุณนายและผูพดเกี่ยวเกี่ยวข้องทุกคนให้ความดูแลอย่างดีและก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองที่อยู่ในเมืองไทยเขาพูดบ่อยๆใน MP3 ว่าเกี่ยวกับชาติของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าที่เมืองตะกัศิลาก็ไม่คาดไม่คิดเลยว่าจะได้มาถึงป่ากีสถานแล้วก็ได้ไปได้ไปชม เมืองตะกัดศีลาและกับพิพิธภัณฑ์ของเมืองตะกศิลาด้วยไปเห็นแล้วก็อืมก็อยู่ในตำราท่างกบพูดอีกแนวหนึ่งแต่พอมาถึงบ้านทุกวันนี้ก็บ้านเมืองก็รู้สึกว่าไม่มีต้นไม้มีแต่ภูเขารู้จักเป็นที่เนินไปเห็นเมื่อวานเลยก่ออืมอมเป็นที่แปลกตาแปลกใจเหมือนกัด แต่วันนี้ก็กครบกำหนดแล้วอาตมาภาพกับคณะสงฆ์กับคณะผู้เกี่ยวข้องก็ได้จะได้ลําลาคณะจะฐานทูตและกท่านทูตและก็ขอขอบคุณขอบุญขอบุญคุณทุกคนลูกหลานทุกคนที่ได้ให้การดูแลคณะสงฆ์และพวกคณะพวกเราและรักความอ บ, อ, บอุ่น แล้วก็ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้กลับไปเมืองไทยถ้าว่ามีโอกาสก็ขอเชิญนะไปเชี่ยมเยี่ยมชมทางวัดหลวงพ่อด้วยเหมือนกันหลวงพ่อก็อยู่ไกลนะจากไกลจากกรุงเทพมหานครตั้งเกือบ 7-800 กิโลจากกรุงเทพไปไกลพอสมควรแต่ก็เป็นสถานที่ถ้าว่าพวกเรายัางไม่เคยเห็นพระ หินอ่อนพระสวยงามที่ภูก้นกันนะก็ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อไปนั่นแหละอยู่ใกล้ๆในละแวกนั้นเป็นสถานที่เป็นที่หนึ่งของประเทศเดี๋ยวนี้ที่คนหลั่งไหลเข้าไปกราบพระหินอ่อนหินไว้เคโรล่าเขาทำได้สวยงามนี่อ่ะ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่ ไ, ไปเมืองไทยก็ขอเชิญ และก็มาพูดเกี่ยวกับเรามางานในคราวนี้ครั้งนี้มาทำงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคือพระสกนินกรตั้งแต่วันที่13ตุลา59ที่พระองค์สวรรคารายนั่นก็พระสกนินกรก็ได้เริ่มทำบุญกันทุกหัวและแห่งของประเทศ ในวัดของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นวันพระหรือว่าเป็นวันสำคัญวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อเองก็ได้บอกกล่าวว่าเออพวกเราในฐานะเป็นพระสกนิกรตูใต้รม่มพระบรมโพธิสมภารของพระ อ, องค์ได้รับความร่มเย็นผาสุกมานมนานถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในละแวกของพวกเรา ว่าเป็นประเทศของเราไม่เป็นไม่เป็นรองใครเป็นหนึ่งในระแวกนี้เพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดเพราะนั้นถือว่าที่เราเป็นอย่างนี้มาได้ก็พาะว่าเป็นเพราะตระกูลของพระ อ, องค์ที่พระมหากษัตรยเป็นผู้มีปีชาสามารถที่จะเอาประเทศชาติรอดจากปาก เหียวปากกามาได้เป็นอิสระพวกเราลืมตาลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของพวกเราคุม้มครองแต่บัดนี้พระองค์ท่านก็ได้จุติไปตามอายุสังขารไม่ว่าท่านผู้ใดที่บร ม, มครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุวพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพ่อเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีศดานุภาพใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ได้ปรินิพานไปพระอัครสาวกพระสาว ก, าาวกทั้งหลายตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสก็โร่งโร่งรอยไปตามอายุสังขารแต่พระ อ, องค์ท่านก็ทำหนูทคุณูปการให้กับประเทศชาติมีพระคุณอย่างยิ่งต่อประเทศชาติต่อมาถึงคราวของพระ อ, องค์ท่าน อายุของพระองค์ท่านก็88ปีก็ไม่ใช่น้อยท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วกพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความร่มเย็นผาสุขอย่างที่ได้พูดได้กล่าวมาพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านได้นอกจากประกอบคุณงามความดีนเมื่อประกอบคุณงามความดีแล้วพวกเราก็จะน้อมคุณงามความดี เป็นเป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราการทำบุญอุทิศสวนกุศลนี้เราก็ไม่ได้ใช่ว่าเราคิดเราทำขึ้นมา เ, เรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าความเป็นมาการอุทิศสวนกุศลนีเ้เป็นมาอย่างไร ก็มีตำรับตำรามานายเพื่มานายพระไตรปิฎกอย่างนั้นก็กกถือสืบมเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณากาล เ, เมื่อผู้ใดท่านผู้ใดล่วงลับดับขันไป เ, เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในหลักธรรมคำสอนในข้อหนึ่งว่าที่ท่านยกประเด็นขึ้นมาก็คือเรื่องกับเกี่ยวกับบันเกี่ยวกับพ่อแม่ของพวกเรา พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วคือทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดามารดามิดาคือทิศเบื้องหน้าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระทกิจธระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเมื่อท่านพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ไม่ให้เนี่ยงดูดายเพราะร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากพ่อจากแม่เราก็ได้ทาคุณูปการหาเงินคำทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ทำบุญเทีวประกอบคุณงามความดีการทำบุญคำนี้ก็คือช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียน ช่วยสาธารณประโยชน์ทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็สิ่งที่ทำไปแล้วนั้นเกิดประโยชน์เรากุทิส่วนกุศลคุณงามความดีนั้นให้ต่อผู้มีอุ ป, อปกคระคุณคือพ่อแม่ของพวกเราอันนี้คือในหลักของพุทธะแต่ทีนี้มาย้อนถึงที่ต้นเหตุว่าการทำบุญอุทิส่วนกุศล น, นั้นเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ทีแรกเมื่อพุทธเมื่อพระพุทธองค์ ได้ตัดสรูปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่จากนั้นพระองค์ได้ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคือนี่ที่ประเทศอินเดียนะเมื่อไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเกิดความครบนับถือเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพรัสดาบันจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้มอบถวาย สวนอุทยานคือเวรุวันคือสวนป่าไม้ไผ่ถวายต่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกพอถวายเสร็จแล้วพระองค์พระพุทธเจ้าว่าให้พรถวายพระพรคล้ายๆกับว่าเยินดีอนลโมทนากับการถวายที่ดินไว้แนพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกที่พระองค์ได้รับ จากนั้นพระองค์ก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้เทน้ำทักขิโนทกคล้ายคล้ายกับว่าอุทิตส่วนกุศลคว่ามอบให้มอบให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยถ้าวรมอบให้ด้วยน้ำใจด้วยวาจาก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เทน้ำลงแผ่นดินด้วยว่าเป็นให้น้ำเป็นสักขีพยานในการถวายแผ่นดินอุทิต ให้ให้กบกับพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้พระองค์ก็ยะหรับพระพุทองค์ก็รับวัดวัดป่าวีรวัลไว้ใน พ, พุทธศาสนาแต่ทีนี้มันไม่จบจบเพียงแค่นั้นเท่านี้พอตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารกลับไปพักบรรทมที่เวียงวางของพระองค์ ดวงวิญญาณในอดีตชาติเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าอดีตชาติมันมีไม่ใช่ว่ามีแต่ในปัจจุบันชาติในอดีตชาติดวงวิญญาณที่ได้ทำร่วมกันมากับพระเจ้าพิมพิาสา ร, รได้สร้างบาปสร้างบุญทั้งบุญด้วยทั้งบาปด้วยนะคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะทำบุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะทำบาปอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่นี่มีทั้งบาปมีทั้งบุญ แต่ในชาตินั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นขุนคลังแล้วก็รักษาคลังแล้วก็เอาเงินให้กับพวกบริวารไปทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าแต่นี้พวกบริวารกินเงินกินเงินที่พระเจ้าที่ขุนคลังเอาไปให้ให้เขาพวกเรานั้นทำทานจากนั้นบาปกรรมตัวนั้นตามสนองตามสนองพวกที่ กินเงินของเงินขุนคลังเดิไปกินเงินของพระพุทธเจ้านะ่ยคือเงินก้อนนั้นเพื่อไปซื้ออาหารถวายพระพุทธเจ้าแต่เงินไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหมดก่อนนะแต่ใ้กล่าว บ, บาปกรรมตัวนั้นอนะ่ะมาถึงผู้กระทําในเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกนรกพระตกนรกก็มาเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหวยฮในตําราท่านพูดอย่างนั้นนะแต่พระเจ้าพิมพิสารที่เป็นขุนคลังเนี่ยไม่มีอะไร มีแต่ได้รับบุญเพราะว่าท่านปล่อยให้ตามตามที่มันเป็นไปได้มาเท่าไหร่ก็ปล่อยไปตามนั้นแต่นี้เมื่อมาถึงในครั้งนี้เท่นี้เมื่อพระเจ้าพิพิษานได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เปลตเหล่านั้นน่ยยังเลื่อนลอยอยู่พราอยังใช้กรรมอยู่กรรมยังไม่หมดในเมื่อพระเจ้าพิพิษานถวายวัดป่าเวทุวันแล้วเปรตเหล่านั้นก็ค อ, อยว่าเออ พระเจ้าพิมพ์พิสารคงจะอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเราแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับพวกเราแต่นี้พระเจ้าพิมพ์พิสารไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้คิดถึงเปรตเหล่านั้นเอเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็เอบุญกุศลคล้ายๆก็พอถวายคือมอบให้ดินให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าได้บุญให้บุญมาเท่าไหร่พระเจ้าพิมพ์พิสารก็เหมือนกับได้ธนบัตรมาแล้วกับพับ ใส่กระเป๋าเลยไม่ได้แบ่งให้ใครในลักษณะอย่างานั้นแต่ใ้พวกเปรตเหล่านั้นไ ม, ไม่ได้รับส่วนแบ่งบุญกุศลที่พระเจ้าพิมพ์พิสารทำบุญในกลางคืนวันนั้นพอพระเจ้าพิมพ์พิสารจะบันทมเปรตเหล่านั้นแสดงตนให้ปรากฏตัวพร้อมๆบงังตัวไม่มีเสื้อผ้าหนุ่บงบังแขวนอิลงตูงนังอยู่ในหน้าตากในบริเวณที่นั่งจนพระเจ้า พิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนพอสว่างขึ้นมาพระเจ้าพิมพ์ิสารก็มากราบพระพุทธเจ้าแต่เช้าในวันนั้นวันรุ่งคืน พ, พระพุทธองค์ก็ถามว่ามหาบพุพเพศเป็นยังไงการบรรทมกลับสนิดอยู่หรือโอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าแปลกมีสิ่งที่แปลกออกมาสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นแขวนที่หน้าตรงหน้าต่างัอ้อ ก็ทำสิ่งที่น่ากลัวแต่ก้มมองไม่เห็นตัวเพราะพระองค์บอกว่านั่นแหละมหาบพิษเป็นญาติของพระองค์ในอดีตชาติในอดีตชาติพระองค์เคยได้ทำบุญทำกุศลทำบุญทาบาปมาด้วยกันพระองค์ก็ไล่เลี้ยงให้ฟังว่าอดีตชาติของพระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น พระเจ้าพิมพ์พิสารก็เมื่อวานฆ่าพระองค์ก็ไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เขาจริงอพอทําบุญเสร็จแล้วก็แล้วไปแต่เอาเถอะวันพวกนี้ฆ่าพระองค์ขอทําบุญอีกสักรอบนึงาจากนั้นพระองค์ก็ได้พระเจ้าพิมพ์พิสารก่นที่มนก่นที่มนพระพุทธองค์ไปฉันในเวียงวังพอฉันเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารก็ทําบุญทําบุญเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลอย่างพวกเราทำนี่แหละ น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อท้าวว่าญาติของข้าพเจ้าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาขนาดญาติผู้ใดก็ตามที่เป็นอดีตชาติปัจจุบันในชาติท้าวว่าตกทุกข์ได้ยากอยู่ในการทําบุญของข้าพเจ้าในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของข้าพเจ้าตลอดถึงเจ้ากรรมานเวที่จองร่างจองผานขอจะให้ จองล้างจองผ่านกันให้จืดจางกันต่อไปข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้กับพวกทุกคนและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญ ญ, ญาณทาเมื่อท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ธ้นท่านมีความสุขอยู่แล้วกขอให้มีความสุขจริงๆงขึ้นไปทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณอันนี้คล้ายๆว่าเราคิดเราเอาใจเอาใจส่งถึงใจนะ แคือใจคือวิญญาณก็คือใจเราก็ส่งเอาใจส่งถึงให้ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะได้รับนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารก็เช่นเดียวกันเมื่อพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าแนะนําอย่างนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสานก็ได้อุทิศส่วนกุศลต่อเปรตญาติของพระองค์เปรแต่ญาติเหล่านั้นก็ได้รับนะได้รับได้รับบุญกุศลจากพระเจ้าพิมพ์พิสารพอตกตอนคืนมาครันที่สองเห็นอีกเนี่ย พอเห็นอีกคราวนี้เขาไม่กล้าพูนพระพุทธเจ้าว่าเออเมื่อวานพระ อ, องค์ได้ถวายแต่อาหารยังไม่ได้ถวายผ้านะหกเปตเราไม่มีเสื้อผ้านุง่งแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์มีอาหารกินแต่ไม่มีเสื้อผ้าพระเจ้าพิมพ์พิสารได้ถวายอุทิศส่วนกุศลเรื่องผ้าอีกอจากนั้นพอคืนที่สมเราหายเงียบไปเพราะเห็นอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นไปหาเกิดแล้วทิน เพราะดวงวิญญาณเหล่านั้นม่ใช่แต่ทาบาปอย่างเดียวแต่เขาก็ทําบุญด้วยแต่บุญบุญอย่างไม่ให้ผลแต่บาปให้ผลก่อนในเมื่อบาปให้ผลก่อนเขาก็ได้รับบุญเหมือนกับคนเราเนี่ยทํามาค้าขายมีที่ดินมีที่ดอนมีโฉนดที่ดินแต่ไปติดคุกในเมื่อไปติดคุก ก, ก็เข้าอยู่ในคุกอพอพ้นจากคุกมาแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินก็มีอยู่เขาก็เอา โฉนดที่ดินไปขายเขาก็กกับเป็นเศรษฐีอาจจะรวยกว่าผู้คนคนอื่นอื่นอีกก็ได้นี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาที่อัตมภาพได้ยกแสดงขึ้นมาในพระไตรปิฎกในพระธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านมีไว้ในธรรมทธธัฏฐตกระถาในหลักธรรมคาสอนของพุทธะเพราะนั้นการที่พวกเรา ได้ทําบุญอุทิศสวนกุศลไม่ใช่พูดเปล่าๆไม่ใช่พูดเล่นๆท่าเรานับถือพ ร, ระพุทธเจ้าพระธทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราคนนี้ยึดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรพวกเราก็พาดําเนินแล้วก็พร้อมกันไม่ใช่ว่าแต่พระพุทธเจ้าพาดําเนินพูดเท่านั้น อ, อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างสายหลวงปู่มั่นอ กูบาจารของพวกเราที่ท่านนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบท่านก็มองเห็นได้ว่ากายกับใจใจกับกาย ม, มันคนละอันกันร่างกายของพวกเรา เ, เหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคือตัวนามธรรมจุดนั้นแหละที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายตัวนามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละ ท่านจึงยกเป็นพุทธภาสิตมโนโปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแล้วก็ใจดวงนี้แหละครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อทบอกใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าเราทำบาปบาปก็มาอยู่ในจิตใจถ้าเราทําบุญ บุญก็เข้ามาสู่จิตใจของดวงนั้นในเมื่อใจเมื่อร่างกายของเราใจของเราแตกเมื่อร่างกายของเราแตกรถหมดสภาพนะรถมันหมดสภาพมันใช้มานานมันใช้ไม่ได้แล้วนะโซเฟอร์รถก็ออกจากรถนะถ้าพอโซเฟอร์ออกจากรถนั่นแหละโซเฟอร์ก็จะต้องมีเงินติดกระเป๋านะนบุญนั่นแหละคือเงินที่ปิดกระปิดกระเป๋านะ ถ้าโซเฟอร์ทําความชั่วคล้ายๆกับว่านี่แหละคดีความติดโซเฟอร์จะต้องนําโซเฟอร์ไปเข้าคุกเข้าตารางจะต้องไปติดไปตกทุกได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ามีคดีความติดตัวอยู่นี่แหละโซเฟอร์ออกจากรถคันนั้นแหละโซเฟอจะมีถ้าหาว่ามีบาบาปก็จะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทําบุญบุญก็จะเป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณนั้น นี่แหละอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่พระธรรมคําสอนถ้าบุญผาไปกับไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเลือกเกิดได้เหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินไปนิสถานที่ใดไปเลือกซื้อได้เลือกไปเปลี่ยนได้แต่ประเทศเกิดมาพบในพบผูกเพราะคําว่าขโมยโพยโจนไม่มีขโมยบุญกันไม่มีขโมยบุญขโมยบาปกันไม่มี มีแต่บุญบาปเป็นหน้าที่เป็นผู้ซื่อตรงคร้ายๆขโมยกันไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราไปประโลกภายภาคหน้าบุญกุศลก็จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนไปพรมชั้นไหนถ้าว่าเราชำระจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเราก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวตสงสารตามแนวแถวของพุท ธ, ธะ ที่พวกเราจะต้องศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานถ้าเราศึกษาดูแล้ว เ, เราจะรูร้ชั้นเชิง เ, เรื่องออรองาวต่างๆของพุทธศาสนาในรายละเอียดมีมากศาสตร์นี้ไม่ใช่ศาสตร์ธรรมดาเหมือนกันศาสตร์หรือภพชาติเป็นศาสตร์หรือชาติหรือภพหรือชาติก็คือศาสตร์ของพุทธศาสนาแต่ศาสตร์ในโลกนี่ ถึงจะเรียนมามากขนาดไหนก็เถอะมันเรียนตามสัญญาและสังขารเท่านั้นเองเอคล้ายๆกับว่าพอเรียนไปแล้วอาตมาภาพเคยยกตัวอย่างว่าในหลักของพุทธศ า, ศาสนากับาศาสตร์ทางโลกทางโลกคล้ายๆเราส่องไฟฉายไปเราส่องไฟฉายไปกลางคืนเราจะไปเห็นต้นไม้ภูผาจัตสาลาสิงสิ่งต่างๆเราก็ไปเรียนไปเห็น ช้างก็เรียนวิชาช้างไปเห็นมา้าก็เรียนวิชามา้าไปเห็นหมาก็เรียนวิชาหมาไปเห็นวัวเห็นควายเห็นสัตว์ประสาททั้ทงหลายภูผาปา่าไม้เราก็เรียนวิชานั้นนะ เ, เรียนวิชาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราเอาไฟฉายสองไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยย้อนเข้ามาหาตัวตัวไฟฉายตัวหัวเทียนไฟฉายไฟนั้นมันออกไปจากไหน มันต้องหามาหามาหาเหตุเหตุคือปัจจัยเป็นเบื้องตน้นเราพอสองเข้ามา เ, เรามองเข้ามาหาตัวตัวหัวเทียนไฟฉายจากนั้นเราก็ดับไฟฉายจะตับไฟมันก็ดับจากนั้นก็มองไม่เห็นทางอื่นอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ส่องไฟฉายไป นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ย้อนก็มาหาตัวผู้รู้คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละใจตรงนี้คือหัวเทียนไฉายถ้าหัวถ้าถ้าหาว่าเราส่องไปเน่เราก็เห็น เ, เรียนวิชาความรู้เรื่องต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี่ถึงจะเกิดมาพบหน้าชนะกันเรียนก็ยังไม่จบอีกเวิชาในโลกมีมากมาย เ, าเหมือนกับใบไม้ เกิดอยู่ในแผ่นดินที่อัตมาภาพได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นการกล่าวสังเวธนิยกถาในวันนี้ที่พวกเราได้พร้อมกันทำบุญเป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระปริมพ ร, พ ร, พรมินทรมหาภูมิพลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่พวกเราถึงจะอยู่ในต่างแดน ก็ยังระลึกลำลึกถึงพระคุณของท่านและก็พวกเราก็เดยทำตามสติกําลังความสามารถและก็พร้อมกันต่อไปภายภาคหน้าก็ขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านประกอบแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีในเมื่อพวกเราคิดดีทำดีพูดดีความดีนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของพวกเรา ไปอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขการกล่าวสังเวทนิจกระถานในวันนี้ก็เหตุว่าสมควรกับการเวลาข อ, อายุติต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนนเนาะ